แล้วก็เข้าสู่ช่วงบ่ายนะของวันแรก วันนี้เป็นวันที่19กมกราคม 2,561 ที่ส่วนธรรมศรีปรทุมเราจะมานั่งสมาธิด้วยกันเมื่อช่วงเช้าเราได้ฟังเรื่องของความเคยชินความเคยชินหรืออนุสัยที่เรียกว่าสันดาน ที่มันมีอยู่ในทุกคนใครจะแค่ความเคยชินของใครไม่ได้สมมุติคนที่วิยุงกัดมัฟโกรตตบพว่ในคนสิบคนร้อยคนสมมติว่าเริ่มต้นเหมือนกันหมดวิเคยตบยุงพว่กันหมด ในแต่ละคนที่จะออกจากความเคยชินที่จะไม่ตบยุงอีกเนี่ยจนกระทั่งเป็นปกติแบบที่ผมบอกบางคนสิบทีหายบางคนร้อยทีบางคนพันทียังไม่หายใครจะเป็นคนทําให้ใครได้ไม่มีเพราะแต่ละคนสั่งสมความเห็นผิดนี้มาแตกต่างกันหมด ดังนั้นการที่เจอะจากความเห็นผิดนี้ก็คือต้องใช้ความเพียรการที่จะออกจากความเคยชินนี้ก็ต้องใช้ความเพียรความอดทนอดกลั้นของตัวเองการมีสติเข้าไปแทรกในทุกๆอย่างเข้ามารวมกันเป็นปัจจัยทั้งหมดพัดรากจากของรักเป็นทุกข์ ใครมีลูกมีคนรักมีครอบครัว ม, ม, มีเพื่อนรักมีสัตว์ที่รักเมื่อมันจากเป็นหรือจากตายก็ตามเป็นทุกข์นั่งคำควญเพราะความที่ไม่เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงทั้งทั้งที่วันนี้ถ้าถามว่าทุกคนต้องตายถูกไหมก็ตอบว่าใช่ทุกคนต้องตายแล้วทําไม ถ้าคนที่เรารักตายถึงต้องทุกข์ล่ะในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องตายมันจึงดูเหมือนเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากเรื่องที่ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยธรรมะถึงวันนี้ไม่มีใครไม่เข้าใจนะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแต่ทำไมออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะความเคยชินนี่แหละ ที่เป็นสัญชาตญาณที่เหนียวแน่นที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาก่อนวันนี้ผมได้พบความจริงอย่างหนึง่งสมมว่าผมบอกให้ท่านนั่งสมาธิเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันครึ่งชั่วโมงในร้อยกว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนจะทำเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้ว เชื่อไหมสิบปีที่แล้วท่านทำยังไงท่านทำนัเหมือนเดิมผมจึงแปลกใจว่าไม่เอะใจบ้างเลยเหรอถ้าทำเหมือนเดิมเนี่ยมันควรจะบรรลุธรรมถ้าเหมือนเดิมมันบนรรลุธรรมเนี่ยมันควรจะบรรลุไปนานแล้วทำไมถึงไม่เอะใจว่าเราต้องทำอะไรผิด ทำไมเรายังคําเหมือนเดิมใครทํายังไงมันจะทําอย่างนั้นน่ะครูบาอาจารย์ที่มีอภิญญาเห็นการเกิดการหลายชาติเนี่ยท่านบอกว่าหมื่นปีไม่เปลี่ยนคนเนี่ยหมื่นปีไม่เปลี่ยนพันชาติไม่เปลี่ยนดูวันนี้รู้เลยพันชาติที่แล้วเป็นยังไงไม่เปลี่ยนให้วันนี้เราลองมาดูกันหน่อย ผมก็รู้ว่าต่อให้ผมทำบอกจี้ที้เนี่ยบรลังหน้าท่านก็ทำเหมือนเดิมผมพูดเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วไอ้สองไฟกันเนี่ยทำมือให้ดูเนี่ยแล้วก็หลงเข้าไปเนี่ยก็เห็นก็หลงเหมือนเดิมจนไปเจอคำพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระองค์เหนื่อยที่สุด ในการต้องบอกสอนเนี่ยอันนี้ผมยกคําท่านาใหญ่ๆนั้นในคิริมนนทสูตรไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมม า, มาอะไรกับใครนะพระองค์บอกว่าพระองค์ต้องเหนื่อยที่สุดในการต้องบอกสอนเนี่ยกับพวกปาประชนป่าประชนก็คือชนที่เป็นคนบาปเพราะเมื่อสอบอกสอนคนที่เป็นพวกป่าประชนเนี่ย ปาปชนจะมีความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใจในในใจของตัวเองตลอดก็คือรู้แล้วทำมาตั้งนานแล้วรู้แล้วพูดอะไรนี่คือปราประชนดังนั้นพวกปราประชนเนี่ยพูดยังไงก็ไม่เข้าเพราะพูดอะไรมันก็ว่ารู้แล้วถ้ารู้แล้วทำไมมันไม่พ้นทุกไปแล้วหรือทุกมันยังไม่รู้เลยนะพระ อ, องค์บอกว่า พวกที่สั่งสมมาดีเนี่ยพระองค์ไม่ต้องอธิบายเลยเริ่มตั้งแต่พูดคำเดียวแล้วจบกับมีอีกพวกหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรเขาก็เข้าใจแค่เห็นยังไม่พูดแค่ทำให้ดูก็พ้นแล้วไม่ต้องอธิบายเลยเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ย ทิ้งที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานอัตตวาทุปาทานคืออุปาทานในความยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองวางลงเถอะนะเพราะอุปาทานนั้นนะเต็มไปด้วยตัวตนแล้วยังดูไม่ออกยังมองไม่เห็นในตัวเองที่เป็นตัวชักนำทำให้ทุ ก, นะทกคนต้องตายอยู่แล้วแหมพูดอยู่ได้ แล้วถ้าคนข้างๆตายจะทุกข์ไหมพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาตายจะทุกข์ไหมถ้าวันนี้ตัวเองป่วยเป็นมะเร็งจะทุกข์ไหมแล้วรู้เลยว่าอีกสามวันตา ย, ยทำํำรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยก็รู้แล้วทั้งนั้นน่ะไม่มีอะไรไม่รู้แล้วรู้แล้วทั้งนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเนื่องจากจิตของคนเนี่ยมันไม่มีระเบียบ มันอยู่บนมิจฉาทิฏฐิมันไม่เคยจัดระเบียบอะไรทั้งสิ้นมันสร้างความเห็นผิดในความเป็นตัวตนขึ้นมาในวันนี้จะกลับไปสู่ความจริงได้เนี่ยมันจึงจำเป็นต้องมีกระบวนในบางคนที่เขาทำมาเยอะแล้วที่พระองค์บอกสั่งสมมา ด, ดีเนี่ยนิดเดียวเขาก็พน้นละ ที่ทําไมเราสงสุงถึงสงสัยว่าสมัยพุทธการนั่งฟังธรรมทีเดียวพ้นไปเลยก็เนี่ยที่บอกว่าสั่งสมมาดีสั่งสมมาดีแล้วเราสั่งสมมาดีไหมผมไม่รู้ท่านอาจจะฟังทีเดียวพ้นหรือไม่หรือหลายทีแล้วไม่พ้นอันนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามาทําให้ถูกตั้งจิตเอาไว้ให้ถูกตั้งจิตให้ถูกนั่งสมาธิยังไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยแต่ผมเห็นทุกคนตั้งจิตเอาไว้ผิด หนึ่งพอบอกนั่งสมาธิทุกคนจะตั้งท่านั่งสมาธิผมพูดอ่าแล้วผิดตรงไหนวะก็พบมันตั้งท่านั่งสมาธินี่แหละอาแล้วอาจารย์ไม่ตั้งท่านั่งสมาธิอ่ะตั้งอาแล้วยังไงท่าเนี่ยมันอยู่ข้างนอกไอเจตนานี่มันอยู่ข้างในนี่เจตนานอยู่ที่นี่อยู่ข้างในนี่ ที่เป็นตุ๊กตาก็คืออยู่ข้างในน่ะไอ้ท่าเนี่ยท่าทาเดียวกันหมดอ่ะแต่ข้างในเนี่ยไม่มีข้างในเนี่ยถูกปิดมาอยู่ข้างในถ้ามีคนบอกให้นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเอาละสมมุติว่าท่านฝึกรู้ลมหายใจมาผมฝึกรู้ลมหายใจมาสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่เราจะทํากันนะจะถูกจะเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่มีใครรู้แล้วแต่ท่าดูข้างนอกเนี่ยเหมือนกันหมดถ้าถ่ายรูปมาแล้วดูเนี่ยเหมือนกันหมด ลองดูนั่งเลยนั่งสมาธิดูมีสติอยู่ก็ลมหายใจ แล้วก็ตอบคำถามตัวเองที่ผมถามถ้าผมถามว่าสงบไหมให้ท่านตอบตัวเองตามจริงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่สงบทำไมถึงไม่สงบโอ้โหมันคิดไม่หยุดเลยจานถูกไหม ถ้หลับตาเนี่ยลุงรู้ได้ไม่กี่ทีนะมันคิดอีกแล้วเดี๋ยวมันก็คิดคิดคิดไปเรื่อยๆมันก็คิดคิดคิดไปเรื่อยๆซึ่งผมถามร้อยละเก้าสิบก็เหมือนกันหมดคําตอบเดียวกันคือไม่สงบเลยแล้วนั่งไม่สงบจะมีประโยชน์ไหมเรื่องนั้นพักไว้ก่อนกลับมาต ร, ตรงนี้ให้ได้ก่อนอ่ะทีนี้คนที่กำลัง น, นั่งสมาธิหรืออะไรฟังเนี่ยฟั ง, ฟ, งฟังให้เข้าใจ ฟังให้เข้าใจแล้วกลับไปทำแล้วมันจะถูกวันนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ว่าจะพูดยังไงก็ไม่เข้าใจลองทิ้งทุกอย่างเปิดใจกว้างๆแล้วฟังให้เข้าใจ อย่านึกว่าตัวเองรู้แล้วเลิกสักทีคำนี้ว่ารู้แล้วถ้าพูดไปแล้วอ๋อเข้าใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้โอรู้แล้วกรลกกรรู้หลมก็รู้แล้วดูนะผมถามว่านั่งสงบไหมร้อยละเก้าสิบกิจอาจจะกว่าก็จะบอกว่าไม่สงบฟังดีๆนะ ถ้าผมถามต่อไปว่าทำไมถึงไม่สงบโอ้โหมันคิดไม่เลิกเลยอาจารย์จะเห็นว่าเหตุปัจจัยของความสงบไปอยู่ที่ความคิดเห็นไหมถ้าผมบอกต่อไปว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่ความคิดจะคิดหรือไม่คิดแต่จิตสงบเข้าใจไหม ไม่เข้าใจใช่ต้องไม่เข้าใจต้องไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันจึงต้องกลับมาที่จุดแรกใหม่เพราะถ้ามีคนเข้าใจจะเดินทางต่อไปได้เลยถ้าคำถามที่ผมถามว่าสงบไม่สงบไม่ได้อยู่ที่ความคิด ถ้ามีคนเข้าใจตรงนี้คุณเดินทางต่อไปได้แต่ถ้ายังไงวะอันนี้มึงกลับมาหากูก่อนนะต้องมาเริ่มก่อไก่กันแล้วทั้งนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้สอนไปเนี่ยมีคนที่ไปเลยกับคนที่กองอยู่เต็มไปหมดเอาละเว้ทุกคนมีเจตนาดีเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ไม่เข้าใจอ่ะ แล้วมันไปไม่ได้อ่ะทีนี้พอมันไปเลยจากจุดนี้ไปไม่ได้เนี่ยมันตื่นไม่ได้เข้าใจไหมพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันไปไม่ได้มันจะติดอยู่แค่พื้นฐานคือคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมถือความสัตด์์มากก่อนมีตามป้ายรถเมย์ถ้าใครเกิดอายุไล่เรียกกับผมเนี่ยจะเห็นตามป้ายรถเมย์โอ้ยจั มุกนี้ในคนรุ่นใหม่ม่รู้เรื่องเลยนะมีด้วยว่าป้ายรถเมจะเป็นได้แค่นั้นเอาเลยนะเอาทุกคนรู้ลงไม่ต้องหลับตาห า, หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ลืมตาเหมือนั่งฟังผมเนี้ยเตรียมต่อคำถามรู้สึกถึงลมหายใจไหมรู้สึกลมหายใจเข้าอ่าหายใจเข้าลึกๆ ก, ก็เหมือนมีลมกระทบอยู่ตรงนี้หายใจออกก็หายใจออกหายใจเข้าขณะที่นั่งฟังผมเมื่อสักครู่เนี้ยที่กําลังนั่งฟมฟังฟังผมพูดเนี่ยรู้สึกถึงลมหายใจไหมไม่รู้สึกเพิ่งมารู้สึกตอนที่ผมให้รู้ลมเนี้ยถูกไหม ตอนที่ผมกำลังพูดถามว่าจิตสงบไหมท่านรู้รู้รู้ลมหายใจเหรอไม่รู้อะตอนนี้รู้สึกที่ก้นไหมรู้รู้ตอนผมพูดถูกไหมและตอนที่กําลังนั่งคุยกันผมให้รู้ลมเนีรู้สึกที่ก้นไหมไม่รู้อะแต่ตอนนี้รู้พอพอผมบอกว่ารู้สึกที่ก้นไหมรู้สึกเลย แล้วเดี๋ยวก็คิดท่าโดยธรรมชาติท่านนั่งอยู่ที่บ้านหรือนั่งอยู่ที่ทำงานขณะที่กำลังพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานบนโต๊ะเมื่อขาท่านเปลี่ยนขาไปไข่ห้างท่านทำงานอะไรแย่ๆต่อไปมีโทรศัพท์เข้ามา้ยเบื่อจังเลย พูดอยู่นะท่านมีสติที่จะรู้สึกตัวไหมว่าเมื่อกี้โกรธขึ้นเมื่อกี้ความโกรธเกิดขึ้นตอนนี้ปวดขาความหงุดหงิดเกิดขึ้นกระทบกันไปกระทบกันมาไม่รู้มันเดินไปตามความเคยชินทั้งหมดเป็นสัญชาตญาณทั้งหมดมันนั่งอย่างนี้พอปวดขาเขาอ่ยปวดขาที่มันทจเลิกเขทิท้งแลความเคยชินนั้นก็ลามติดมาในทุกที่ พอบอกให้มีสติรู้สึกตัวยังไงอ่ะพอให้กลับมามีสติมีสมาธิกินอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วไปเลยอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วไปเลยอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วไปเลยจะไปโทษอะไรเขาเพราะเราทำเหตุมาอย่างนั้นจนมันกลายเป็นเข้าหลุมอัตโนมัติไปหมดแล้วซึ่งทุกคนก็อยู่ในหลุมอัตโนมัติกันอยู่แล้ว ท่านมาปฏิบัติธรรมสามวันท่านกลับออกไปอาจารย์ตอนอยู่ในคอร์สก็เข้าใจนะแล้วก็หยุดพอออกไปก็เหมือนเดิมใช่เข้าใจระบบของความเคยชินไหมละ่ะว่าสามวันจะง้างอะไรกับ3ากห้าวันสามวันนี้ง้าง3 65หห้าวันไม่ได้แต่สามวันนี้สร้างความเข้าใจได้แต่คนที่จะง้างสามง้างความเคยชินเดิมนี้ ต้องเป็นท่านเองที่จะออกไปงางเองผมจะไปตามงานได้ยังไงมันจะไปตามบอกได้ยังไงเพราะของมันรอจังหวะของมันรอจังหวะทีนี้ทำยังไงอยู่ในคอสเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยโกรธทำไมถึงไม่ค่อยโลภนั่งฟังสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวเดียวแวบไปบ้างก็ดึงกลับมา นั่งฟังสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิอารมณ์ที่ไหนมันจะเกิดมันก็เกิดบ้างนิดนิดหน่อยๆไปนึกถึงใครก็โกรธขึ้นมานิดหน่อยเพราะมันเป็นความเคยชินว่าถ้านึกเรื่องแบบนี้ประมาณอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันเกิดตัวกูในทุกๆขณะเป็นอัตโนมัติไปหมดวงจรมันหมุนได้เพราะความเป็นอัตโนมัติของเดิมนี่แหละถ้าท่านเปลี่ยนความเคยชินนั้นได้ด้วยเอาสติเข้าไปเบียดความเคยชินจะกระตุก มือนล้อรถที่ล้อกเกวียนที่โดนเอาไม้เข้าไปเสียบ ม, มันก็กระตุกความเคยชินแทนที่จะเดินได้สมูทร้อยเอร์เซ็นเหมือนเมื่อก่อนกระตุกเมื่อความเคยชินกระตุกครั้งที่หนึ่งกระตุกครั้งที่สองกระตุกครั้งที่สามมันจะเกิดร่องเมื่อมันเกิดร่องปั๊บสมมติเรายุงวี่มาเคยพัวเลยวี่มาอมือย่าไปทำมันเลยเนี่ยมันกระตุกมัน เ, าเราเออกสติเนี่ยเหมือนไม้เข้าไปเสียบในล่องเกวียน ล้อมันกระตุกพอครั้งที่ห <c oughs> ้าเดี๋ยวตกนะครั้งที่หกเริ่มง้างขึ้นมาน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหายไปวีก็แค่ปัดปัดแล้วก็ไม่ได้เกิดอารมณ์ค่อยๆล้างความเคยชินอย่างเงี้ยไปทีละเรื่องโอ้ยเข้าใจแล้วทั้งนี้ไม่ยากยากเว้ยออกไปเหมือนเดิมอีกคือโดยทฤษฎีทุกคนเข้าใจหมดเข้าใจไห แต่พอออกไปแล้วมันทำไม่ได้พอคนพูดมาคำหนึ่งคนดินทามาหน่อยหนึ่งคนแค่มองยังไม่รู้เลยเขามองเราอีดอะไรเราโกรธก่อนละเพราะของมันปั้งแล้วมันปรุงเลยปั้งแล้วมันปรุงเลยมันขึ้นเลยของขึ้นเลยของขึ้นทันทีเลยตัวกูว้ขึ้นทันทีการจะล้างตรงนี้ที่ต้องอาศัยความเพียรแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องจนกระทั่งมันเกิดนิสัยใหม่ เมื่อเกิดที่ิสัใหม่ยุงบินมาวิ้เสียงคนด่าคนลินทาก็ก็เอาเถอะเมื่อก่อนเราก็ลินทาคนอื่นเราก็ไม่เข้าใจเมื่อก่อนเห็นในโซเชียลก็ด่าตามเขาไปด่ามาตามเขาไปนะวันหนึ่งเกิดมีใครว่าเรามาหรือมีคนไลน์มาข้อความหนึ่งเราโอ้เรานั่งเก็บไปช้าน้าใจแล้วเกินข้อความนี้มันเจ็บช้าน้ำใจแล้วเกินพอเราเห็นคนอื่นว่าคนนี้เรารู้เลยว่าโอ้โหคนนี้ คงทุกข์เหมือนที่ที่เราเคยทุกข์หรือทุกข์กับที่เรากําลังเป็นทุกข์วันนี้เราจะไม่ทําใครอีกเลยเราจะไม่ทําใครอีกเลยความทุกข์ที่เกิดจากข้อความเดียวในไลนย์ยังทําให้เราทุกข์จิตวนไปเวียนมาในเฟซบุ๊กมีคนคอมเมนต์สมมติว่าท่านถ่ายรูปแล้วก็ไปลงเพื่อนก็กดไลน์ไลเออดีนะทางสถานที่สวยมีคนไม่ต้องมากสมมติว่าผมอ่ะท่านผมก็ไม่ได้เข้าเฟซบุ๊กสมมติว่าผมเข้าไปแล้วผมเห็น ทุเลตผมเขียนคำเดียวไม่ต้องมากอะทุเลตมีแต่ตัวตนยังมองไม่เห็นอีกอทีนี้ของเก่ามันจะขึ้นทันทีนะอะไรกูสนอนะกูศกูไม่สนนะมึงดา่ากูอะเพราะฉะนั้นเห็นหรือยังว่าของเราเนี่ยมันลึกแค่ไหนการชำระสิ่งนี้ผมนึงบอกไม่หมูทฤษฎีหมู แต่พอเห็นอย่างนี้ไม่หมูการล้างความเห็นผิดเนี่ยซึ่งฝังรากลึกมานานเนี่ยคนคนนั้นต้องมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้ากล้าอาหารแล้วเห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารจริงๆของการเวียนไม่หยุดมันทำกันอย่างนี้ไม่หยุดเราใช้อะไรเข้าไปเปลี่ยนละ่ะจะทำยังไงถึงจะรู้ทันนะ่ะมีทุเลศขึ้นมาคำเนี่ยปั๊บ เราลึกขึ้นมาเอาอีกแล้ว อ, อกุศล เ, เกิดดีแล้วแต่เขาดา่าเราเห็นไหมมันจะออกไปข้างนอกก่อนมันจะมีเหตุผลของกิเลสขึ้นมาไอเหตุผลที่วันนี้พูดกันเนี่ยเหตุผลกิเลสทั้งนั้นน่ะใครคือกิเลสอาจารย์อยู่ที่ไหนเอาลนะตอนนี้มันแยกไม่ออกว่าไอเสียงในหัวเนี่ยไอเสียงข้างในเนี่ยมันเสียงใครกันแน่มันเยอะแยะไปหมดเจอเสื้อตัวนึงโอ้โหสวยไอนี่ใครพูดเอาไว้เดี๋ยวพวกนี้ค่อยดูใครพูด แล้วพอสวยจะซื้อมีคนบอกว่าอย่าซื้อเลยใช้เงินมากแล้วอันนี้ใครพูดมันก็ใจพูดไงยังมีใจที่ทําหน้าที่ที่พระเจ้าตัดเรียกแต่ละชื่อแต่ละชื่อไว้ด้วยเจตสิกเนี่ยขึ้นมาประกอบจิตเนี่ยยังมีการทําตามหน้าที่ของตัวเองอแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุมไว้มีกลุ่มของกุศลกลุ่มของอกุศลในกลุ่มของกุศลมีใครบ้างก็ไม่ต้องไปรู้ให้หมดหรอกนะแต่ให้รู้จักกันบ้าง ่ไอ้เสียงในหัวในเสียงที่ดังขึ้นมาในใจไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนเนี่ยคืออะไรเอาละทีนี้เรากลับมาก่อนถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มไปได้วยความหมกมุ่นวุ่นวายไปหมดเนี่ยในกระบวนการของความคิดในโลกความคิดเนี่ยเรียกโลกความคิดก็ได้ก็โลกนั่นแหละโลกความคิดของเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่บงการทุกอย่างของชีวิตเราเลย เรียกว่าพบเอาไว้ก่อนก็แล้วกันโลกความคิดบงการทุกอย่างให้ไปในทางผิดทางถูกอยู่ในโลกความคิดนี้ทั้งหมดเราจะจัดระเบียบโลกความคิดของเราได้ยังไงเมื่อเชา้าเราดูเรื่องกุศลอกุศลทีนี้เราเริ่มแยกออกจากสิ่งที่เคยเป็นก้อนกลมกลมสมมติว่าความคิดเป็นโลกความคิดเป็นก้อนกลมกลมเราเริ่มแบ่งออกล้ เป็นครึ่งหนึ่งความคิดหนึ่งอ่เป็นกุศลโอ้อยากจะมาปฏิปทาสมมติว่านี่เราเรียกว่ากุศลมาแล้วชื่นบานอีกโลกหนึ่งมีแต่เรื่องดา่าเรื่องว่าเรื่องโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทนินทาอะไเราพอดูออกอันนี้อกุศลมันเกิดขึ้นในโลกเดียวกันผัดกันคนละทีทีนี้ที่ผมบอกคนละครึ่งมันไม่ใช่ขึ้นมาคนละครึ่งมันขึ้นมาคนละที เวทีนี้มีที่ยืนแค่ทีเดียวให้คนเดียวมันขึ้นมาคนละทีแล้วมันลงเดี๋ยวอีกคนมันขึ้นมาแล้วมันก็นลงอีกคนมันขึ้นมามันก็นลงเคยโกรธใครถาวรไหมละ่ะอืมคนที่ท่านโกรธเมื่อวานอยู่ไหนละ่ะความคิดเน่ะไม่มีแล้วตอนนี้ก็ลื ม, มไปแล้วเลยจานไม่น่าพูดเลยก็ขึ้นมาใหม่เขาขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็ลงไปเด็คนใหม่ก็ขึ้นมาอีกนะความคิดเป็นกุศลสมาธิใจสงบอ่ะคนใหม่ก็ขึ้นมาสแสดงปั๊บนี้นก็ลง เด็คนใหม่ก็ขึ้นมามันก็ขึ้นก็ลงลงกันอยู่นะตลอดชีวิตของเราเนี่ยแหละจนเราตายแต่ระวังก่อนตายใครจะขึ้นมาแลเนะี่ยใครที่ฝึกให้มันขึ้นมาบ่อยๆไอ้นั่นมันขึ้นมาง่ายเพราะมันจะคุ้นชินกับเวทีสติเหรอโอ้โหสามรสิบห้าวันเจอกันสามหนเนี้ยมันไม่มาหรอกมันไม่ขึ้นหรอกเวทีเนี่ยแล้วเจอใครโลภโกรธหลงมันขึ้นกันไม่ได้หยุดนะเพราะฉะนั้นก่อนตายจะมีอะไรเ่ ว่าฉันไปอยากตายเลยเนี่ยเขาเรียกหลงทําไมทําไมไม่มีคนมาดูแลเลยจะไม่มอดนี่เขาเรียกหลงแล้วตายเป็นอะไรรับรองได้ทุกติดภูมิใจหวังได้อะไรฉันเป็นคนดีมาตลอดเคยมีคนพูดตรงไหมหรือพูดเองไอ้ที่ว่าคนดีนั่นอ่ะคนอื่นพูดหรือว่าเราพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการสร้างความเคยชินเคยคุ้นใหม่ อรียมักมีองค์แปดในอยู่กับความเคยชินเคยคุ้นที่เป็นกุศลทั้งหมดถ้าท่านมานึกดูโอ้โหนี้ก็ยากเหมือนกันนะเพราะถ้าเรานึกภาพในโลกตอนนี้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยไม่ต้องโลกไหนหรอกที่บ้านที่ทํางานโลกโซเชียลข่าวในทีวีทุกอย่างแล้ววันกระตุ้นความหลงความโลภความโกรธทั้งหมดเลยเราจะออกจากมันยังไง อย่าพูดเรื่องออกเลยพูดเรื่องทำไงถึงจะรู้ทันก่อนดีกว่านะคือตอนนี้ยังรู้ไม่ทันเลยเขาด่ากันมากก็ด่าตามเขาไปเขาชมมากบ็ปิื้มดีใจวันนี้ใส่เสื้อสวยท่องเดินผ่านผู้เสื่อ น, นีทุเล่นจริงกว่า น, นี้ใส่ไม่ได้ไงใจที่หล่นที่จะตุ่มเดินไม่เป็นเลยไม่กล้าเดินไปโต๊ะไหนเลยนั่งอมทุกข์อยู่ทั้งวันในโลกของตัวเองนั่นะจากการกระทบป้งเดียว เข้ามาพองอยู่เต็มหมดในใจเลยไปไหนไม่รอดเลยเฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับใครมันเกี่ยวกับเราเอาสิ่งนั้นะอันเชิญเข้ามาไว้ในโลกในใจของเราเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิหนึ่งเริ่มจัดระเบียบโลกนี้ใหม่ต้องจัดระเบียบโลกนี้ใหม่ละเพราะมันอยู่กันนี้ไม่มีความปลองดองเลย ใครมันจะเอาอยัางไงมันไปกันทางใครทางมันเลยมันมั่วกันไปหมดเลยตอนนี้มันนึกจะทำอะไรไอ้โลกไอโ้โกรไอ้หลงมันทำกันมั่วไปหมดสติไม่ต้องไปพูดสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปพูดไม่เคยอยู่เลยไม่มีด้วยรู้ลมหายใจอ่ะตอนนี้รู้ลมหายใจ รู้ลมหายใจไว้ไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องมากเรื่องไม่ต้องมีตัวตนอะไรนักหนาของมันมีอยู่แล้วลมหายใจนะนั่งฟังผมก็รู้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนท่ามานั่งสมาธิมันก็รู้ลมหายใจอยู่แล้วก็ออยังรู้ลมหายใจไว้ ไม่ต้องหลับตาหลับตาเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะมันเคยชินก่อนนอนพอหลับตาก็คิดเรื่องอื่นเลยมันก็ชินเลยหลับตาคิดเรื่องอื่นแล้วก็นอนไม่หลับเพราะมันมันแต่คิดทีนี้พอนั่งสมาธิหลับตาก็คิดเรื่องอื่นเลยเพราะมันชินกันอยู่รู้ลมไว้ยังรู้ได้ไหมได้ยังรู้ไม่ได้ เอาอย่างนี้จะได้สมาธิเหรอสร้างความเคยชินใหม่ให้ได้ก่อนเถอะให้มันรู้จักก่อนว่ารู้ลมหายใจมันคืออะไรจะหลับตาลืมตาไม่ได้เกี่ยวกับความสงบความตั้งมั่นของจิตเลยรู้ลมหายใจให้ได้ก่อน ไม่ต้องหลับตาจะเข้าฌานไหนแล้วเอาแค่ลืมตาเนี่ยแล้วเวลาเข้าเขาก็ไม่ได้มีประตูให้เข้าใครจะไปรู้ลืมตาอยู่บางคนก็อาจจะเข้าแล้วก็ได้เพราะเขาอาศัยคำหนึ่งในสัมมาส ม, มาธิปัร์องที่แปดก็คือคำว่าความตั้งใจมั่นชอบหรือจิตตั้งมั่นนั่นเอง ไม่ใช่ความสงบชอบความตั้งใจมั่นชอบที่จะเข้ามาสู่การปฏิบัติยังรู้ลมอยู่ไหมรู้ลมนะรู้ลมไว้ถ้าผมจะสอนเด็กคนหนึ่งมีเป้าหมายว่าจะสอนเขาว่ายน้ำไปสู่โอลิมปิก เด็กคนนั้นมาที่ยิมของผมผมจะให้ให้เป็ดเป็ดยางที่บีบแล้วมันดังพิดพโยนลงไปในสระว่ยานยาาาน้ไปเล่นเป็ดยางไปเอ้าไม่ฝึกเหรออาจารย์ไปเล่นเป็ดยางไปเล่นได้เลยเหรอเออไปเล่นเป็ดยางไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมาฝึกเหรอ มึงไปเล่นเป็ดยางเหรอไปแล้เล่นได้นานไมมึงไปเล่นเป็ดยางไปมก็กระโดดตู้มไปเล่นเป็ดยางชั่วโมงหนึ่งผมก็เรียกขึ้นมาอาบน้านําแต่งตัวกลับบ้านเอา้าจาย์ไม่สอนเหรอเออเล่นเป็ดยางเส่เยังอะ่ะอมัน้ไปมันจะไปโอลิมปิกยังไงอะ่ะถ้ามันไม่คุ้นกับน้ํา จะสอนอะไรอะ่ะถ้ามันยังกลัวน้ำจะสอนสตรกในขณะที่ลงไปแล้วมันอุหูหนาวชิบเป่งเลยไม่อยากลงเลยว่ะถ้ามันไม่มีความสุขกับการลงน้ำเลยมันจะสอนยังไงรู้ลมไว้นะฟังก็รู้ลมไปอย่าไหลอย่าหลงฟังผมก็เออเราก็รู้ลมไว้ ฟังอออาจารย์พูดอาจารย์ก็อยากพูดแล้วก็พูดไปดิเราก็รู้ลมไว้แต่เพราะความเคยชินพอผมพูดพอะไรป้ท่านก็จะลืมลมแล้วก็ตั้งใจฟังเพอผมเอา้ารู้ลมเนี่ยเอาลืมออาจารย์พูดไหมเหรอเอาขอผมพูดก็เรื่องผมดิแล้วก็รู้ลมไว้ขณะที่ผมพูดความสงบเกิดขึ้นได้ไหมได้ เกี่ยวกันไหมละ่ะผมพูดกับท่านใจสงบเนี่ยเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันหมไม่เกี่ยวแต่ดูเหมือนคล้ายๆจะเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวเขาเรียกเป็นปัจจัยคำพูดของผมแค่เป็นปัจจัยอาจจะทำให้ท่านสงบหรือไม่สงบ แต่ความสงบของท่านไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับผมผมจะพูดก็ได้ผมจะหยุดก็ได้ถ้าท่านรู้ลมหายใจไปท่านสงบถ้าผมลุกขึ้นเดินไปเดินมาผมถามว่าท่านสงบไหมสงบหรือบางคนโอ้ชาติเราแต่เดินไปเดินมาฉันเลยไม่สงบเห็นไหมตกลงสงบหรือไม่สงบ ขึ้นกับคนเดินไปเดินมาหรือเปล่าสงบหรือไม่สงบขึ้นกับความตั้งมั่นของจิตถ้ามีคนลืมปิดโทรศัพท์ปลี้นขึ้นมาไอ้นี่มันทำให้ฉันเสียสมาธิใครบอกใครบอกเราไม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยว แล้วท่านนั่งเองแล้วมีความคิดเกิดขึ้นเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวถ้าปฏิบัติจนเข้าใจตรงนี้ได้สามสิบเปอร์เซ็นของเส้นทางท่านเดินผ่านละอ่ะนั่งสมาธิ แล้วดูสิที่ฟังไปเนี่ยพอถึงเวลาทําทําได้จริงไหมถ้าความคิดคือการเดินไปเดินมาของผมเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกับจิตที่สงบหรือไม่สงบถ้าความตั้งมั่นของจิตเหมือนอาาที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้หน้าห้องแถว มีคนเดินไปเดินมาผ่านหน้าร้านอามากก็นั่งอยู่เฉยๆอาจจะนั่งถักเสื้อถักคอผ้าพันคอผักนิ่ถักดิตติ้งคนจะเดินไปเดินมาก็เรื่องของใครๆมันก็ไปของมันทุกวันมันก็มาของมันทุกวันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นก็เดินกันทั้งวันอามา ก, ก็มีสมาธินั่งอยู่กับเก้าอี้ หรือว่าม่าจะถักนิตติ้งไม่ได้เพราะว่าไอคนนั้นคนนี้มัวแต่เดินไปเดินมาฉันเลยถักไม่ได้นั่งอยู่กับที่จิตอยู่กับฐานอะไรจะเกิดมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้น จะชื่อความคิดหรือจะชื่อสังขารก็ไอ้ของเกิดเกิดดับดับเดินกันไปเดินกันมาทั้งวันนะจะไปลบลาค่าฟันจะบอกให้มันหยุดทำไมล่ะมันต้องหยุดฉันถึงจะมีความสุขเหรอถ้าอย่างนั้นตัวตนก็เต็มหมดไม่ตั้งจิตที่ความหยุดคิดจิตสงบตั้งมั่น ไม่ได้เกี่ยวกับความคิดจะเกิดจะดับเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นแต่พวกนั้นเกิดเกิดดับดับผ่านมาผ่านไปไม่ใช่สาระจิตสงบตั้งมั่นก็เพียงลมหายใจ เห็นลมหายใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเข้าสุดแล้วก็ออกออกสุดแล้วก็เข้าเข้าสุดแล้วก็ออกออกสุดแล้วก็เข้าจิตใจตั้งมั่นไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปที่เปลี่ยนแปลงไปเวทนาทางกายเจ็บปวดคันชาจะเกิดขึ้นก็ เ, เป็นของที่ผ่านมาผ่านไป เป็นไปตามธรรมชาติจิตสงบตั้งมัน่นไม่เข้าไปวุ่นวายไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวตั้งมั่นอยู่ภายในอะไรจะเป็นก็เป็นไปเข้าใจความจริงตามธรรมชาติไม่ทุกเดือดร้อน ไม่ได้มากด บ, าบังคับกฎเกณฑ์ข่มขีให้อะไรต้องหยุดให้อะไรต้องไม่เกิดถ้าอย่างนั้นก็มีแต่ตัวตนยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งได้ตัวตน อยู่กับสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสงบตั้งมั่นอยู่ภายในเมื่อจิตตั้งมั่นสงบอยู่ที่ฐานอะไรจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เห็นแต่ความเป็นธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาสรรพสิ่งทั้งภายในภายนอกนก็เป็นของมันอย่างนั้น เห็นเองเห็นเองให้กลับมาอยู่ภายในสงบตั้งมั่นอยู่ภายในทินีน้นั่งท่าเดิมนั่งอยู่นิ่งๆลืมตาขึ้นแต่ลืมแต่แต่ลืมแต่ตานั่งทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมลืมแต่ตา ใจก็สงบเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจะเห็นอะไรใจก็สงบเหมือนเดิมรู้ลมหายใจใจก็สงบเหมือนเดิมมีเสียงมากระทบใจก็สงบเหมือนเดิมใจสงบ ไม่ได้เกี่ยวกับหลับตาลืมตาลุกขึ้นเดินนั่งคิดถ้าใจสงสบสรรพสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงใจก็ยังสงบเหมือนเดิมนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าความสงบ ต้องขึ้นกับความคิดที่หยุดเรียกมิจฉาทิฏฐินั่นคือมีแต่ความเป็นตัวตนนั่งสมาธิต้องไม่เจ็บไม่ปวดนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเวทนาทางกายเกิดขึ้นเป็นปกติของขันรูปกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้นั่งอยู่ท่านี้เป็นประจำ หรือจะนั่งท่าไหนเป็นประจำก็เจ็บปวดเหมือนเดิมฉันเห็นแต่ความจริงตามธรรมชาติทำไมถึงบอกให้อดทนถ้าไม่อดทนเจอกันแล้วจะเคยคุ้นกันได้ยังไงเอาแต่เข้าใจโอ้ความปวดเป็นเวทนาทางกายเกิดเกิดก ด, ดับๆับเข้าใจแล้วก็เข้าใจกันทุกคนพอปวดจริงๆแล้วเป็นยังไง เรื่อการปฏิบัติธรรมคือการเข้ามาเผชิญกับความจริงไม่หลบไม่หลีกไม่หนีไม่เปลี่ยนอยู่แบบคนแก้วกล้าอาถรรพ์จิตใจแก้วกล้าอาถรรพ์ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับเพศไหนๆทั้งสิ้นคนเป็นกระเทยมาถามผมคนเป็นทอง ม, มาถามผมไม่เกี่ยวจิตไม่มีเพศ แก้วกล้าอาจหานเด็ดเดียวมุ่งมั่นทำให้สำเร็จสุดท้ายปวดมันก็ปวดย ด, ด, ด, ดิถามว่าปวดไม่นะําถามทุกคนก็ปวดทุกคนแล้วทาไมนั่งกันเฉยๆล่ะก็จะให้ทำอะไร่ะขึ้นมาลุกเต้นเหร อมันอดทนจนไปทั้งใจสงบลงได้เดี๋ยวมันจะเห็นความเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปรีบร้อนปฏิบัติธรรมการเปลี่ยนความเคยชินเคยคุ้นที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เรื่องทำกันได้ในหนึ่งวันสองวันโออาจารย์นี่เก่งจริงๆไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับท่านคนที่พ้นจากความเคยชินได้แบบคือตัวของพวกเราเองจะมีความมุ่งมั่นให้พ้นไป เข้าสู่ความเคยคุ้นใหม่ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยความเคยคุ้นใหม่นี้ก็คือสัมมาทั้งแปดนี่แหละสรุปรวมรวมกันก็เข้ามารวบรวมเข้ามารวมกันก็ชื่อทางสายกลางพระเจาต้อเข้าใจจิตตั้งมัน่น จิตตั้งมั่นไม่เกี่ยวกับความคิดจะหยุดหรือไม่หยุดเขาจะหยุดเขาก็หยุดพอเราไม่ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวผูกพันจิตตั้งมัน่นอาจจะสังเกต ว, ว่าเออมันเงียบกันไปหมดเลยฮะความก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปดีใจก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโอ้ฉันทําได้แล้วอเดี๋ยวไปปลุกตัวกูขึ้นมาอีกก็ เ, เห็นม่าเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้น ไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจอาหลับตาให้เห็นเลยว่าคำว่านั่งสมาธิไม่ใช่การนั่งสมาธิจะหลับตาจะลืมตาจะรู้ลมจะไม่รู้ลมจใจสงบเป็นปกติตั้งมั่นเห็นความจริง ลมก็เปลี่ยนแปลงความคิดก็เกิดเกิดดับๆเวทนาทางกายก็เกิดเกิดดับๆไม่เห็นมีอะไรเป็นแก่นสารที่จะเข้าไปยึดถืออะไรนี่คือสัมมาสมาธิที่แท้จริงถ้าเข้าถึงตรงนี้เรื่องต่อไปก็จะง่ายขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเช่นปีติสุขอุเบขาหรือสิ่งที่จะเกิดต่อๆไปในอรูปฌานก็เป็นของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อจิตปราศจากกามปราศจากอากุศลเรื่องก็มมีเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมก็เกิดขึ้นฝึกให้เห็นถูกตั้งแต่ข้างในการใช้ชีวิตจะเห็นถูกเอง นั่งอีกห้านาทีจิตตั้งมั่นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดไม่ได้เกี่ยวกับเสียงที่มากระทบไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิไม่ได้เกี่ยวกับอะไรไม่ได้เกี่ยวกับความเจ็บปวด เห็นแต่วความเจ็บปวดหรือเวทนามันก็เกิดขึ้นมันอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปเข้าไปยินดียินร้ายอะไรไม่ใช่ต้องไม่ปวดไม่ใช่ต้องไม่เจ็บมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งมันอยู่ที่ฐาน อย่าไก่อความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาเห็นความจริงตามธรรมชาติความจริงตามธรรมชาติเห็นได้เองอยู่แล้วไม่ต้องวิ่งเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้านไม่ต้องวิ่งออกไปตามรู้จักใคร นั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้านก็เห็นได้เองอยู่แล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดดับเข้าไปยึดถือเป็นทุกข์ไม่ได้มีตัวตนอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปเมื่อนั้นถึงจะไม่มีผู้ทุกข์ เมื่อสลายผู้รู้ก็ไม่มีผู้ทุกข์เอาละพอสมควรครับลืมตาใจก็ออยังสงบนะผมถึงบอกว่ามันอย่าให้มันเป็นการนั่งสมาธิมันไม่เกี่ยว ไม่ใช่ว่าโอ้เสร็จการนั่งสมาธิลืมตาใจก็ยังสงบเหมือนเดิมจะขยับเปลี่ยนท่าเพื่อครายจากเวทนาทางกายบ้างก็ขยับไปกายเคลื่อนไหวแต่ใจสงบจะลุกขึ้นยืนเดินวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายใจก็สงบถ้าฝึกได้ถูก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยคุ้นไหมล่ะไม่ใช่คม้รู้จักเลยที่พูดมาทั้งหมดกับข้างกับทิฏฐิที่เราเคยมีเลยทิฏฐิที่เราเคยมีทุกการกระทบทําให้ใจของเราไม่มีสงบทุกการกระทบได้ก่อความรู้สึกเป็นตัวตนตลอดเวลาแต่นี่ทุกการกระทบไม่ว่าจะภายในภายนอกที่เข้ามากระทบ ใจของเราสงบตั้งมัน่นไม่ได้มีผลอะไรต่อใจของเราเลยเอามานั่งถักนิตติ้งอยู่ภายในไม่เดินออกไปเที่ยววุ่นวายว่าคนนั้นบา้าด่าคนนี้อยู่เฉยเฉันนั่งถักนิตติ้งไม่ได้เลยแกเดินไปเดินมาไม่มีแกต้องไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แกต้องไม่ไอแกต้องไม่อะไรไม่มีอาหม่านั่งถักนิตติ้งอยู่ภายในใจสงบ เริ่มต้นอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกจิตผู้รู้ที่ผ่านมามันมีแต่จิตกูจิตกูเนี่ยจะบังคับทุกอย่างความคิดก็ต้องไม่เกิดถ้าความคิดไม่เกิดจิตกูถึงจะสงบที่ถ้ามาปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยปฏิบัติให้ตายด้อย ไม่มีพ้นนะชาติเนี่ยเสียเวลาเปล่าเพราะทำอย่างนี้มาร้อยชาติแล้วแล้วก็จะทำต่อไปถ้าไม่เปลี่ยนจะตายไปกับสิ่งนี้เกิดใหม่แล้วก็ไปนั่งแบบเดิมเป็นชาติที่ร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ทุกคนลุกขึ้นยืนขึ้นค่อยๆนะค่อยๆใครที่ยังเหน็บชาเลยก็เตเอนยนผมให้ยืนเพื่อเปลี่ยนอีเรียบทเฉยๆท่านนั่งมาตั้งแต่บ่ายโมงแลลุกขึ้นเพื่อให้เลือดลมเดินหน่อยใครยังลุกไม่ได้ก็นั่งก่อนลุกเดี๋ยวล้มขยับแค่งขยับขาขยับ แต่ใจสงบนะใจตั้งมั่นอยู่ที่เดิมกายจะขยับก็ขยับไปนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถ้าคนบางคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะทำไปเรื่อยๆแล้วตั้งทิฏฐิไว้ตามนี้ไม่ผิดแต่ถ้าใคร เข้าใจแล้วเริ่มรู้สึกเลยว่าใจสงบไม่ได้ขึ้นกับสิ่งอะไรแล้วอะไรจะเป็นอะไรมันก็เป็ันไปนั่นแต่จิตสงบติดจิตจะตื่นโพลงขึ้นมาเลยมันจะตื่นโพลงขึ้นมาเลยมันจะไม่หลงโลกแล้ว จะสว่างสวัยขึ้นมาภายในบางคนนั่งสมาธิรู้สึกมันสว่างเหมือนกับไฟจะพุ่งออกมาจากในตานะปฏิบัติให้ถูกนะปฏิบัติให้ถูกเนี้นทำไปมันก็ย่ำอยู่กับที่อยู่นะทีนี้พอทิฏฐิข้างในมันถูกการใช้ชีวิตมันถูกเองความยิดมั่นถือมั่นอาจจะยังมี ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคำว่าจิตตื่นไม่ใช่บรรลุธรรมนะเดี๋ยวไปเข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมอีกจิตตื่นก็แค่จิตตื่นสติมันตื่นขึ้นมาพอมันหลุดเมื่อก่อนเข้ามารวมกันความคิดก็เป็นเราความคิดต้องหยุดเราถึงจะสงบมันเข้ามารวมกันหมดทีนี้มาปึ้งคนหนึงหลุดอีกคนหนึ่งเคลื่อนไหวก็จะเห็นเลย จิตผู้รู้ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของสังขารการปรุงแต่งเกิดเกิดดับดับการเคลื่อนของลมลมเกิดดับเดี๋ยวลมก็มีเดี๋ยวลมก็ไม่มีนะเห็นอย่างนี้ก่อนนะสักพักเห็นที่ผมบอกว่ารู้ก้นลรู้ก้นแสดงว่ามันดับจากการรู้ลมมารู้ก้นรู้ล้ก้นดับรู้ลมเดี๋ยวก็ความคิดมีเดี๋ยวพ็มีความคิดก็ไม่มีลมหายใจนะพอกลบมารู้ลมหายใจความคิดก็ไม่มี ก็เห็นการเกิดดับของผู้รู้ของวิญญาณเห็นไปเห็นมาก็มีแต่ขันที่เกิดดับเกิดดับไม่เห็นมันมีอะไรนะจากนั้นมันจะปล่อยความยึดถือที่มีความรู้สึกว่านี่เราไหนเราสุดท้ายไม่มีเรามีแต่ของเกิดดับตามธรรมชาติแล้วก็สร้างความเคยคุ้นนี่ขึ้นมาใหม่ จนไม่เคยคุ้นกับของเก่าที่เป็นเราเป็นอะไรอีกแล้วจนถึงธรรมชาติที่เข้าสู่ความเส้นทางใหม่ทิ้งของเก่าเกิดการชำระภายในในระดับแรกพระเจ้าก็ตัดเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นพระโสดาบันคือพ้นไปจากห่วงโซ่ทั้งหลายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองว่านี่คือเรา กายนี้คือเราใจนี้คือเราถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เห็นว่าวิญญาณเกิดดับขันเกิดดับสังขารเกิดดับอะไรที่ผมพูดทั้งหมดท่านจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าท่านเริ่มเห็นขึ้นมามันขอามันเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเดี๋ยวก็เผลอไปคิดท่านเผลอไปคิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็สังขารก็เกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็ดับไปลมเกิดขึ้นเดี๋ยวลมก็ดับไปเดี๋ยวก็ไป ร, รับรู้ที่เวทนาเกิดขึ้นเวทนาทางก เดี๋ยวก็มาส่งผลเป็นเวทนาทางใจเห็นแต่ของเกิดเกิดดับๆับเกิดเกิดดับๆขณะที่บอกว่าเห็นของเกิดเกิดดับๆเรามีความรู้สึกแบบว่าเราปวดเราคิดเราชอบเราไม่ชอบนเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกกาลังไหลเข้าไปเป็นสัมมาทิฏฐิสร้างความเคยคุ้นใหม่คุ้นร้อยเปอร์เซนเมื่อไหลที่ไม่มีความรู้สึกเป็นเราเหลือเลยเมื่อนั้นล่ะที่เรียกว่า ถึงทำเพราะฉะนั้นใครจะทําให้ใครถึงธทำมีแต่เราเนี่ยแหละสร้างความเคยคุ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่าอริยบุคคลไม่ใช่เรื่องไกาอยู่ในสมัยพุทธกาลอยู่ที่กายวานาคืบเนี่แหละที่นั่งกันอยู่เนี่ยยืนกันอยู่เนี่ยแะไม่ได้ที่ไหนแล้วทุกจะพ้นที่ไหนก็พ้นที่ใจนี่ไงนี่าทางออกจากใจแหละที่บอกทุกอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจได้แต่พูดกัน วันหนึ่งก็จะเห็นว่าใจเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรคือเหตุเกิดของใจอะไรคือความดับของใจอะไรคือหนทางที่จะไปให้ถึงความดับของใจนั่นละนั่นล่ะคืออริยสัจล่ะที่พระเจ้าตรัสรู้ล่ะที่เรากาลังทานี่ล่อะอาช่วยนั่ง เลาอจเราจะเบรกข้าน้ำกันก่อนนะตอนนี้บ่ายสองโมงสี่สิบนาทีก็บ่ายสามโมงกลับขึ้นมาแล้วกันเชิญคดี๋ยคีทุกท่านเรียมวดราอาจารย์ค่ะราเดินออกไปก็ใจสงบนะอย่านั่งคุยนั่งคุยกันไ่เยอะแล้ว เปินตัวกร า, ราบพร้อมกันค่ะปราปราปราฝึกสร้างความเคยคุ้นใหม่ความเคยคุ้นนี้เราไม่เคยมี ย้อนกลับไปในอดีตชาติไหนๆก็ได้เราไม่เคยมีถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็จะจบในชาตินี้แต่ถ้าทำได้ดิดหน่อยๆก็ไปสารต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจนเต็มนะเชิญครับทำเอง